พอที่เราเองคนนึกอาจจะไม่ดีกว่าเขาหรอกครับแต่ตอนนั้นเรากําลังนึก ที่เลือดจิตนั้นว่าหาสตุปะธาคือแย้มแต่อารมณ์เหล่านี้และพฤติกรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากจิตที่เรียกว่าสตุปะธาจิตนั้นท่านไม่ได้ ก็แล้วก็ต้องมานั่งอ่านเที่ยวหาหนังสือการ์ตูนมาอ่าน ความคิดอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็รับอารมณ์ไม่ไหวแล้วในโลกทุกๆอารมณ์พอคนมี คนธรรมดาในโลกนี้ท่านก็เห็นแล้วก็เกิดความรู้สึก เมื่อเกิดจิตนี้ไม่มีความเกิดจิตความอ่าข้องทั้งใน 2 ความคิด 2 ฝีกนั้นอย่างเรานะแต่ในการ สร้างอริยะมากใช่มั้ยใช่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องบอกภูมิธรรมถึงจะว่าจะได้จะไปต้องเหลียวซ้ายแลขวาไป เราถึงต้องพยายามบอกตัวเองเตือนตัวเองหลุก อาเหตุกจิตนั้นเพราะไม่มีมูลเนี่ยครับก็นี้น่ะเป็นข้อที่อ้างถึงว่าเพราะไม่มีอกุศลเหตุ 3 อยู่ แล้วก็ไม่มีกุศลเหตุอยู่ในจิตนั้นก็เช่นเดียวกันความเป็นบุญไม่มีนี่แปลว่าจะเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยมันประกอบด้วย หรือเพราะคนนั้นคนนี้ทีเดียวแล้วแต่จะอ้างเป็นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุข้างนอกซึ่งนะไม่สําคัญเท่ากับข้างในคือ จนที่เราไม่สามารถจะใช้มัคคานเนี่ยหยุดมันได้พอเรา ก็ทําให้จิตนั้นถึงความมีกําลังอกุศลเหตุ มีเหตุประกอบมีอภิยักตะเหตุประกอบใช่มั้ยไม่เป็นบุญใช่มั้ยไม่ด้วยอโลภะเหตุเป็นปัจจัยอยู่ในนั้นจะ ถึงเค้าจะนอนหลับอยู่ไม่รู้ตัวว่าตัวเค้าเป็นยังไงแต่ว่า ก็ที่ว่าภวังค์จิตที่ประกอบด้วยเหตุ 3 ไตรเหตุนั้นมีกําลังที่จะรับมรรควิถีแต่มรรควิถีก็คือความสํานึกหรือ คือมีปฏิสนธิจิตที่เป็นอเหตุกจิตดวงใดอ่าก็มีบางคนไปสนธิด้วยอกุศลนี้มีพื้นฐานทาง วิถีจิตมันรับไม่ได้เขามันรับได้จะเกิดในวิถีจิตที่มีรับไม่ได้ต้องเป็นวิถีจิตที่มีคุณภาพ คือมีวิบากเป็นเครื่องกันมีวิบากเป็นเครื่องกันก็คือวิบากรับไม่ได้ๆที่คนจะมาได้ธรรมะในแล้วถ้าเรา ว่าเราเกิดมาชาตินี้รับไม่แค่นี้ชาติหน้าขอรับให้เดี๋ยวสัก 2 ก็ว่าออกจะต้องรับทีนี้ไอ้ชาตินี้ช่วยใช้บุญ เราถ้าสมมุติว่าเรามีปฏิสนธิไม่ถึงขั้นที่ นะถึงมาแล้วผิดกันไปคนละคนเลยเอ๊ะก็งงๆเงาๆเอ๊ะมาอาจารย์ทําไมถึงปราตรึง กับพื้นเดิมของเราก็เป็นคนอยู่แล้วเดเลชานเนี่ยจะให้ขึ้นหรือเปล่านะก็ๆก็คงจะเพราะ เขาเพียงได้แวะแต่ไอ้บารมีเก่าก็มีอย่างปุฏิสัตว์เนี่ยนะปุฏิสัตว์เนี่ยมึง 4-5 ชาติที่ไป 4 ถึง 3 นะ และข้อที่ 4 คือไม่อาจเกิดสืบต่อ 7ณพอ ได้มากเท่าไหร่ย่อมจะมีพลังมากกว่านั้นเพราะการเกิดสืบต่อเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสาตตะคือความตืดต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าทําสืบต่อทุกอย่างเนี่ยทํากรรมฐานหรือ ทำสื่อต่อซึ่งอธิบายได้หลายแบบนะแต่แบบเรียงยาวก็คือว่าทําระยะวันติดต่อโดยวัน ชั่วโมงฟังเทศน์ชั่วโมงแล้วทําต่อชั่วโมงยังมีเสียการสืบต่อในขั้นละเอียดแล้ว ตามกวนแก่ภูมิปัญญาของตนโดย 7 ขณะโดยธรรมดา 7 ขณะแล้ว ไคติตถาเราไม่พูดข้ามวิถีว่าดับจมหายไป มันสะด่างค์เพียงวัน 1 ตัวมันเองก็ไร้พลังตั้งแต่ตอนเกิดแล้วก็ 2 คือตัวมันเองเมื่อเกิดอย่างนี้ ตอนหลวงลงมาไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงยืนแล้วก็ยังไม่ ว่าละธรรมกรรมฐานมีผมก็ต้องชวนแล้วมาเป็นวิปัสสนาภูมิของการเจริญปฏิบัติธรรมอย่างคู่ฝาคู่ วิธรรมณตรงนี้บอกเลยว่าได้ยินได้ยินที่หูมานาน ไปเข้ามาได้ไหนแต่ไรเนี่ยครับไม่เคยได้ยินที่หูได้เลยสักๆ ด้วยตัวเองมาแล้วก็โดยไม่ยากโดยไม่ต้องพยายามเสียงมาจะๆครับเป็นเรื่องแปลกเราแปลกว่าสติ แล้วอ่าถ้าเป็นเรื่องจริงครับในทางปฏิบัติได้ๆว่าจริงๆเป็นเรื่องที่เราอัศจรรย์กับ ไปยิ้มแล้วไปที่อื่นแล้วมันเป็นปัจจัยแกกิเลสสะดอยมาแต่ได้ยินอย่างมันก็ไม่รู้ว่าพูดว่า ได้ยินถือเป็นเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นการไปยินศักดิ์สิทธิ์วดีจริงๆเออผมก็ไม่รู้ว่ามีพวกเราที่ ก็ลองลองตามพิสูจน์ศึกษากันต่อไปเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันมีธรรมชาติ เราจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวเอาไอ้ของเราไปใส่หูไม่ได้ใช่มั้ยไม่รู้จะไปใส่กันละคราวนี้มาว่าถึงว่าข้อ 5 เดี๋ยวอเหตุกจิต นะมีความเหมือนกันในที่อ่อนกว่าจิตพวกอื่นด้วยไม่มีชั้น 18 ระหว่างดวงกับดวงก็มีความ ดวงไหนที่พอจะเห็นได้ไอ้ที่ เกิดในธรรมเนียมของวิถีจิตตำแหน่งเดียวกันนะฮะ สีหรือ 8 ดวงเอาเป็นว่า 4 ก็เอานับแค่ 4 ก่อนแล้วกันเห็นเหล็กสว่านเจาะลึกพอเจาะน้ํามันทั้ง <c oughs> ตามีความสุขไหมมีความสุขมั้ยเจ็บมั้ยรู้มั้ยว่าเจ็บยังเห็นเก้าอี้เห็นที่ที่เป็นสบายะ แปลว่ากายวิญญาณไม่เกิดนี้แปลว่าตอนนั้นเรากําลัง ถ้าถามๆหลายอย่างที่ว่ามันก็ดูจะเหมือนๆกันมันมีส่วนที่ไม่เหมือนกัน อารมณ์หยาบอารมณ์อารมณ์หยาบแล้วดีว่ารูปาลมที่มาละเอียดมั้ยละเอียดใช่มั้ยหูละเอียดกลิ่นมันกระทบจมูก รถเนี่ยตัวรถน่ะอ่ะสัมผัสในอาหารนะเป็นของละเอียดปากายะวิญญาณ รูปบางอย่างก็หยาบไม่ใช่หรือสมมุติว่าความสว่างมากปลายตาเราก็เสียไม่ว่าไม่หยาบตรงนี้ลักษณะเห็นคือลักษณะ โดยความหยาบเนี่ยมันเป็นลักษณะของโผฏฐัพพะนะครับมันมากระทบกายะประสาทในปสาทตาอ่าพระญาณบอก ฟังได้ด้วยหูเรียกว่าสัทธาลมที่ท่านจะมีความเข้มแข็งมันเกิดไอ้พลังโกรธะปะ นี่อภิธรรมนะก็พูดเอาลักษณะยืนพื้นเราเห็นทุกสิ่งทุก <c oughs> เราเห็นไฟไหม้ทีวีเห็นทีวีทีวีถูกไหม้มั้ยทีวีน้ําไม่ถึงไม่ท่วมคือรูปาลมของไฟไม่ใช่จริงๆ เราคลึงเข้าไปใกล้ๆเราก็ร้อนเพราะมีลักษณะร้อนจริงๆที่มันควรจะร้อนน่ะน้ําตกก็เหมือนกันแต่ไอ้ ใช่มะเราชื่นใจอุปาทานเราเองแต่มันไม่มีอยู่ๆมันมีแต่รูปบันลมเท่านั้นเองเรา น่ะไปอยู่ไปเองทั้งที่มันไม่ได้มีลักษณะไอ้ที่เรากลัวอยู่ใน ยังไม่มีอะไรเลยเรานึกล่วงหน้าไปเองมันก็เลยอ่านี่ก็ชี้ให้ อันของความรู้ที่จะอธิบายกันต่อไปว่าหลักการ มี 3 กลุ่มโดยย่อที่สุดก็มี 2 กลุ่มกลุ่มนึงเป็นกลุ่มผลกรรมว่ากรรมซัดมาดวงที่เรียกว่าว่าอเหตุกะที่เป็นผลของ ในขณะที่เราตื่นก็ดีหรือบางคนในสักแต่ว่ากระทํา ไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าเหมือนอย่างอหิโตกวิบาก 15 ดวงบนต้นที่แบ่งถ้า 15 ดวงนั้นมีกรรมเป็น 2 อย่างกิริยาจิตนั้น จิตอเหตุกะนั้นไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปคือไม่ที่ยกเป็นบาลีมาแล้วก็แปลให้เห็น เป็นทุกข์มิแต่เฉพาะอกุศลวิบากนะอเหตุกะจิตที่เป็น จริงยืนหลักว่ายืนหลักว่าเวลาที่เราได้รับสัมผัสทางกายใดที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วก็ อันต๊กบางทีคนจะพูดพูดไม่ถนัดปากบอกเป็นครับแหม มีไรมาไต่แล้วเรารู้และไอ้เป็นในกรณีนิดบ่อยๆเข้ามันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะฮะ ได้มากเท่าไหร่เนี่ยเป็นกุศลนิบาตมากสนั่นพลังกุศลนิบาตที่ให้การกุมกรองควบคุมใช่มะครับอย่างบางคนเนี่ยอาจจะอยู่บ้านมีแต่ยิมดก็มีไร ลายที่พูดเป็นทั้งลิ้นไม่ให้ไต่ลายไม่ให้ตอบลิ้นไม่ได้ไต่ลายไม่ได้ ที่เป็นการกดขี่มาเราอยากจะรู้จริงว่าอย่างยิ่งเอาที่เขาจะทําได้ตรงนี้น่ะเราน่าสน อานานานาอ่ะทีนี้ในธรรมพี่เองบางทีท่านมาก็ ต้องใช้วิมือใช้นิ้วมือใช้กัลยาณมิตรสูงหน่อยแต่ว่าก็บางคนอยู่ข้างนอกไม่คันเลยครับไม่คันเพราะเข้ากรรมฐานดีหลาย เพราะว่าอยู่เฉยๆอะไรก็ขันมันมีกรรมมันมีว่าเวลาเข้ากรรมฐานเนี่ยแหละไอ้เรื่องคันๆเนี่ยถึง ต้องรบกวนที่แก้กันไปพม่าว่ามีไอ้ไอ้ไอ้ยาแก้กันของของที่เค้าเรียกว่าไอ้ที่ทาแก้กันน่ะ เราเคยไปคอยเกล็ดปลาไว้เยอะไอ้เวลาคอยเกล็ดปลาเนี่ยมันก็อย่างว่าผิวหนังมันเห่อมาเงี้ยก็เลยเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยบางทีไอ้ไอ้คนเล็กกรรมน้อยต้องใช้ยิ่งเล็กยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งเจริญความดีนะอย่าให้ ไอ้นิวรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เอาบ่องในเงี้ยนิวรเนี่ยถ้าเราจะไปเจริญธรรมสูง <c oughs> ก่อนที่จะไปเข้ากับมาตรฐานไม่งั้นแล้วมันตังงุดตังงิดมันกวนใจงั้นเราจะต้องมาดูว่าเรามีอะไรค้างค้างต้องแก้ จะได้ไม่เป็นอุปสรรคก็เราไม่ได้ชี้ไม่ได้นึกละเอียดว่ามันทําไว้บางรู้นะรู้แต่บางทีก็เชื่อมติดเชื่อมเหยื่อเชื่อมปลั๊กไม่ติดมันอะไรโอ้อย่างงี้เราก็ต้องอะไรต่ออะไรมาถาม กรรมมากแต่กรรมมันจะปรากฏในที่นั้นที่เค้าเรียกว่าไอ้กรรมมันออกอ่ะมันที่อยู่ข้างนอกไม่ ใครๆพูดหวานหมดแล้วพอพอไปเข้ากรรมฐานแล้วมีแต่เสียงที่ไม่ดีนะฮะมีเสียงๆบางคนก็บอกแม้ว่าฉันเออไอ้นี้จะ ก็ไม่รู้เค้าอ่ะนะแต่กสณิธานของเราก็ว่าอย่างนี้ทีนี้ จึงทําให้มันแสดงตัวเองชัด แล้วก็จะเห็นว่าดวงที่ 1 ดวง 2 ดวง 3 ที่ 4 นั้นเวทนาเหมือนกันแล้วถามว่ามันต่าง เติมให้ดวงหนึ่งให้ดวงนึงในฝ่ายกุศลนิบาตคือโสมนัสสังคีลนัสเติมให้ดวงนึงเลย ที่เห็นนี่นะครับแล้วก็ต่างกันโดยเพิ่มเติมประเภทคือโสมนัสสันติลณะซึ่งอกุศลวิบากไม่มีโสมนัสสันติลณะหรือไม่มีโทมนัสสันติลณะถ้าจะ จะต่างกันตรงไหนเล่าการทําบุญกับการทําบาปมาได้รับวิบากจิตเหมือนกัน อีกดวงหนึ่งมาจากกุศลนี้บาปนี้เหตุเก่านะนี่ท่านแต่เอาจริงเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาที่จักขุ หรือว่ามันเห็นอะไรว่ามันเห็นอะไรไอ้ที่มันเห็นอะไรนี่ล่ะครับมัน เรเรเราก็เลือกเอาหน้าปราถนาว่าต้องการไอ้คําว่าเลือก ไป 2 2 เวชคดีเวชคดีสมัย 1 ไอ้สมัยนี้ที่เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> แล้วก็บางท่านก็ไม่มีวาสนาจะได้เห็นนะครับอ่าท่านก็บากนะแม้ไม่เลาะแล้วกับเสียงคือเสียงหึ่งๆใน เอรถก็ขนาดไม่ได้เอาอะไรไปนั่งเที่ยวนั่นแหละครับยังผมแล้วส่งมันไม่เหมือนกันตาเอาแค่ตาเห็นรูปไม่เท่ากันเราคิดว่าเรา เราเลือกเราเลือกใช่มั้ยให้เลือกได้เพราะมันมี 1 มีอยู่ 2 ที่เราเลือกที่ไหนเราก็ต้องเลือก ต่อไปอีกอีกนี่คือความต่างๆเท่าเท่านี้สําหรับในส่วนต่างหน้าจิต 3 ดวงจิตที่ไม่เป็นอ่าอารมณ์เฉพาะหน้า ที่ตื่นขึ้นเป็นจีตแรกตื่นคือเวลามีรูปกระทบตาเนี่ยเจ้าน athe irane 가� Beenampulina Asta นะ тот cherry at all have been scrambled.ு managed to get back. คือ weekends. อัน Licatal. เราก็จะพลbyegame i, for those f ii n part of s Ana, pe stacking. It would always be x� in le my soul. א 그렇게 Rainbow. ที่ตรามัสถ็นสัก House snap of ATv etRichard hasENS i you give me a ух.kon versch Efendimiz now. To ถ้าลําพังแค่ตรงนี้เรายังนึกภาพอะไร 17 นะถ้าจะดูประกอบไป 3 ดวงนั่น ก็ 7 ดวงได้ยินคําว่า 8 ก็ 8 ดวงดังกล่าวอันนี้ก็เป็นเพียงที่ 5 ที่จําเป็น รู้อะไรบางอย่างไว้แล้วก็จะได้ไม่นึกว่าจิตเราฟังฟังเรื่องเหมือนท่านๆไม่ใช่เป็น โดยกับสภาวะ,โดยธรรมชาติ สภาพภาวะโดยธรรมชาติมากกว่าจิตดวงอื่นทั้งหมดไม่ได้เป็นจิตวิรัพโดยสภาพเหมือนกับอเหตุกจิตนี้เลยทําไมอเหตุกจิตน่ะเราบางดวงที่เรารู้สึกเหมือนจะรู้เรื่อง เข้าใจว่าเรารู้เรื่องแต่จริงๆนั้นไม่ใช่เป็นการรู้เรื่องตามสภาพของเหตุกิจจริงๆโดยเป็นว่ามันลี้ลับเหตุผลที่เป็น เราไม่มีจิตดวงนั้นเกิดขึ้นในสรรพานมันก็เป็นจิตของพระราหุลมาห่อหุ้มในอากาศให้ดูได้อย่าง ที่บอกว่าเกิดกับปลาหลานมันก็ไม่มีปลาหลานมาให้ยืมมาเห็นดิจะมาลี้ ถึงถึงกระสมัยก่อนนะมั้ยก่อนเนี่ยพระอนนท์ไม่ได้เป็นว่าเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรจึงทําให้พระ ในครั้งนี้รู้ได้ไงว่าเวลาเดินตามหลังแล้วผู้เราเนี่ยมึงทีละอ่านแล้วยิ้มทําไมรู้เราแย้มแย้มเท่ายิ้มก็ไม่ <c oughs> <c oughs> เมื่อมีอตตะข้าท่านก็กลัวเรา มีอะไรพิเศษต้องต้องถามแล้วไม่งั้นจะผ่านเลยไปโดยไม่ได้ อันนี้จะเล่าอ่ะนี่ดวงนึงทีนี้ดวงที่ 2 ไอ้เหตุที่ไม่ใช่อ่าเหตุที่นี่ 17 ดวงฮะภาสิตุบน่ะเป็น เมื่อเคยขนาดจิตเดียวระดับเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรำลึกนึกถึงได้เวลาเรานอนหลับเนี่ยแม้ว่าจิตยังไง นี่ก็รู้สึกในขณะนั้นว่ามันเป็นยังไงเราก็รู้ แต่เรารู้ไม่ว่าเราหลับเราไม่รู้ไม่ คือจักขุวิญญาณขึ้นหรือสัมปติชนะหรือใจเลยกลายเป็นจิตนอก 17 นี้จะ ดวงใดก็เกิดได้ดวงลักษณะเกิด 2 ไม่ได้พอ 3 เกิดลักษณะก็เราก็จับ โลกในตัวเองได้ในตัวเองได้ความโกรธโกรธในตัวเองได้ความหลงหลงตัวเองได้ใช่มั้ย ดมตัวเองเวลานี่คือรู้ตัวเองไม่ได้รู้ว่าตัวเองได้แต่ โลกความโกรธได้ไม่ได้โลกรู้ว่ารู้ได้ไหมหลงได้ไม่ได้มันสลับกันไปกันที่ว่ารู้ตัวเองได้ไม่ได้นั้น โดยกาละกับโดยคือกาละหมายถึงเวลาสัญดานหมายถึงเอ่อโดยโดยสัญดานก่อนถ้าใครคนหนึ่งเค้าโกรธเรา เรียกว่าต่างสันดานถ้าเราโกรธความโกรธของเราเอง เราโกรธความโกรธในอดีตของเราก็ใช่มั้ยเราโกรธแต่พูดถึงตัวจัก โดยไม่ว่าจะการไหนมันเองไม่ว่าจะการไหนไม่ว่าจะในสันดานไหน เป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันแท้ๆน่ะโดยขณะเนี่ยอันนี้อย่างเช่นเราโกรธโกรธความโกรธขณะนั้นด้วย แล้วว่าจิตขณะนั้นจะเอาตัวเองได้มันต้องจับอารมณ์อื่นนอกขณะที่ โดปราไข่นั้นได้นี่ก็เป็นขั้นพิเศษนะเนี่ยนี่ทั้งหมดจิตทุกดวงปฏิเสธด้วยหลักข้อนี้รับอารมณ์